ครังนั้นนายทินยะเห็นบ้านของตนรุ่งเรืองสว่างสวไปด้วยรอบประหนึ่งแสงพระจันทร์และแสงดวงอาทิตย์สอดส่องเข้าไปภายในบ้านประหนึ่งว่าจะสว่างสวัยไปด้วยประทีป พ, พันดวงที่ลุกพลงขึ้นโดยรอบฉะนั้นจึงเกิดความคิดขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จมาแล้วก็สมัยนั้นเองแม้ฝนก็ตกลงมาเพราะเหตุนั้นพระสังขีติกาจาจันก็เลยกล่าวว่าฝนได้ตก เต็มทั้งที่ลุ่มทั้งที่ดอนในขณะนั้นเองพอพูดจบฝนตกเลยนายนยะคนเลี้ยงโคได้ยินเสียงฝนตกอยู่ก็ได้กราบทูลเนื้อความนี้ว่าเป็นลาบของข้าพระองค์ไม่น้อยเนอที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าลาบแปล ว, ว่าการได้แม αι? เป็นการได้ที่ไม่น้อยเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรจะน้อยกว่านี้อีกแล้วในบรรดาการได้เนี่ยนะ อ่ะไม่ใช่ไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะใหญ่วันนี้อีกแล้วเนี่ยไม่น้อยแล้วมันใหญ่ที่สุดแล้วเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะข้าแต่พระองค์ผู้มหามุนีขอพระองค์จงทรงเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์ทั้งภริยาทั้งข้าพระองค์เป็นผู้เชื่อฟังประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตข้าพระองค์เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะ จักเป็นผู้กระทําซึ่งที่สุดแห่งทุกได้แม่เจ้าของฝูงโคเป็นหมื่นเนี่ยฟังทำจบขอบวชเลยนะแมไม่ธรรมดาเนยนะแล้วโคไปฝากไว้ที่ไหนนี่ถ้าหวงโคก็ไม่ต้องไปไหนกันแลยวเหมืนกันนะฟาโคไปเถอะเหมือนกันนะตามโคต้อยต่อยไปเถอะบางทีก็เคยเคยสังเวชใจนะบางทีไปไปชนน้ำบดต่างๆเห็นคนชราเนี่ยนะอายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็เดินตามฝูงโคต้อยต้อยต่อยไปตายไปเกิดไหนเนาะนึกในใจ จากคันสู่คันเนี่ยนะปัญหาว่าจากคันมนุษย์สู่คันโคนี่จะยุ่งเลยในหน้าแปดสิบห้าบอกว่าคำว่าตาวะเทวะในขณะใดที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งรัสมีไปนายทนิยะก็ปล่อยรัสมีแห่งจิตที่สำเร็จไปด้วยศรัทธาคิดว่าพระศาสดาของเรามาแล้วในขณะนั้นฝนก็ตกลงมา ในขณะที่นายธนิยะเกิดความระลึกขึ้นได้ในขณะที่พระตถาคตเจ้าทรงแผ่โอภาษ์ไปและขณะที่ดวงอาทิตย์กําลังโผล่ขึ้นอยู่อย่างนี้นายธนยิยะฟังเสียงฝนที่กําลังตกลงมาก็เกิดตีติสมนัตกราบทูลเนื้อความว่าเป็นลาบของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่น้อยทีเดียวเพราะเหตุที่นายธนยะพร้อมกับบุตรและพริยาได้เห็นธรรมกายคืออริยสัตว์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการแทงตลอดอริยมรรค เห็นรู ป, ปรกายของพระองค์ด้วยโลกุตระจักสุแล้วก็กลับได้ศรัทธาที่เป็นโลกิยะบอกว่าเป็นลาบของข้าพระองค์ไม่น้อยที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าส่วนคำว่าสารนังตังอุเปมะการถึงสาระของนายธนิยะนั้นสำเร็จแล้วด้วยการบรรลุมรรคนั่นแลแม้ก็จริง ถึงกระนั้นนายธนิยะก็ถึงการตกลงทีเดียวว่าบัดนี้เขากระทำการมอบตนด้วยวาจาถวายชีวิตด้วยวาจาจริงๆเนี่ยใจของเขานี่ถึงสารณะถวายชีวิตไปแล้วละแต่ว่ากล่าววาจาซ้าอีกอีกอย่างหนึ่งเมื่อเขากระทำที่พึ่งด้วยการมอบตนให้ปรากฏด้วยามสามารถแห่งอริยมรรคและทำสารณะที่ไม่หวั่นไหวนั้นให้ปรากฏด้วยวาจาแก่คนเราอื่น จึงถึงสารณคมด้วยการนอบน้อมด้วยมือปณิปาตะอีกต่นอบน้อมว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีจักสุข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะจักขุมาพระพุทธเจ้ามีจักสุห้ประการคือจักสุปกติ1 น, นะจักสุห้ห่งตจักสุปกติสองที่พระจักสุ3ามปัญญาจักสุสี่สมันตะจักสุห้พุทธจักสุเนี่ยนะจักสุตาเนื้อของพระพุทธเจ้ามองได้รอบโยอดหนึ่งเป็นปกติ ทิพจักสูโปรงมีตาทิพปัญญาจักสูโปรง์มีดวงตาปัญญาเห็นอริยสัจสมันตะจักสูโปรงมีสัพพัญญุตญาณพู้แจักสูโพระงคมีอินท ร, ร, รียะโปรปริยตญาณกับอาส ย, ย, ยานุสญาณนายทนิยะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีจักสูห้าประการข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งแปลว่าปกติแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายมีตาไม่สว่างมากเลยตาคือโสดาปฏิมาคเห็นอริยสัจ ขอเอาดวงตาคือสัพพัญยุตยานของพระองค์นี่เป็นสารณะเอาพระองค์ผู้มีดวงตาทั้งห้าประการนี่แหละว่าเป็นสารณะส่วนคำว่าข้าแต่พระมหามุนีขอพระองค์จงเป็นครูของข้าพระองค์นี้นายธนยะทูลขึ้นเพื่อทำสารณะคมให้บริบูรณ์ด้วยการเรกว่าศิสภาวูปคมัมมะนะการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์เนี่ยนะถึงความเป็นสิทธิ์ คำว่าพระยาด้วยข้าพระองค์ด้วยเป็นผู้เชื่อฟังขอประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตน์นี้นายธนิยะทูลเมื่อทำสารนคมให้บริบูรณ์ด้วยสามารถแห่งการสมาทานก็เลยกล่าวว่าขอข้าพระองค์พึงได้ประพฤติพรหมจรรย์ น, นะข้าพระองค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคต์คำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงขอประพฤติโสดาปติมักสกัดสกัตถามิมักอานาคามิมักและอรหัตตมัก เบื้องสูงเพราะเขาได้เป็นพระโสดาบันะนะท่านขอขอประพฤติมักเบื้องบนอีกสามประการคือสกทาคามีมักอนาคามีมักอรหัตมักต่อไปข้าพระองค์เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะจะเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกนะส่วนคําว่าข่าแต่พระสุคตเนี่ยนะประพฤติพรหมจรรย์คือสกทาคามีมักเป็นต้นในสํานักของพระสุคตคําว่าสุคตหรือพระพุทธเจ้าที่นามว่าสุขโตแปลว่า สุกโตพระองค์เสด็จไปด้วยดีไม่ถึงส่วนสุดทั้งสองคือการมาสุขาลิการุโยกกับอัตตกิรามัทานุโยกแปลว่าพระองค์ไม่เอียงไปตามความโคตรสองอย่างไม่เอียงไปในสัตตทิฏฐิและอุเฉท ท, ทิฏฐิเลยพระองค์นี้ประกอบด้วยการบรรลุอริยมรรคอันงามหมายว่าไปดีก็คือไปตามอริยมรรคไปดีก็คือไปบรรลุถึงสถานที่ดีกล่าวคือนิพพานอันดีงามนั่นก็เลยขอบวชเลย นายทินิยะขอบันประชากับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการถึงการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้เมื่อแสดงถึงประโยชน์ของการบันประชาคือการบวชของเขาก็ทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายพึงเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะเป็นผู้ทาที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันคำว่าฝั่งแห่งชรา ม, มรณะนิพานชื่อว่าฝั่งอานะพระนิพานชื่อว่าฝั่งอื่นจากความเกิดและความตาย เราจักถึงพระนิพพานนั้นด้วยอรหัตตะมักธรรมที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้โดยเด็ดขาดเนี่ยนะได้ยินว่าก็สามีและภริยาทั้งสองครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรปชาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์เพ่งให้ข้าพระองค์ทั้งสองบรรปชาเถิดครั้งนั้นมารผู้มีบาปเห็นสามีภริยาทั้งสองถวายบังคมแล้วก็กราบทูล ขอบรรประชาอยู่ก็คิดว่าสามีภรรยาทั้งสองนี้ต้องการจะพ้นจากอำนาจเราเอาเถิดบัดนี้เราจะทำอันตรายแก่เขาทั้งสองแล้วก็แสดงคุณของการครองเรือนว่าคนย่อมเพลิดเพลินเพราะอุปธิทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีบุตรย่อมเพลิดเพลินในบุตรแม้มีลูกก็มีความสุขกับลูกะนะบุคคลมีโคย่อมเพลิดเพลินเพราะโคเพราะฉะนั้นผู้ไม่มีอุปธิคือขันห้ากว่าไม่มีความเพลิดเพลิน แม่ก็คนมีโคยังเพลินกับโคคนมีบุตรกับเพลินกับบุตรคนมีขันห้าก็เพลินกับขันห้าถ้าไม่มีขันห้าจะไปเพลินกับอะไรงนั้นนะฟังดูดีนะเออถ้าตัดขันห้าได้หมดแล้วจะไปสนุกตรงไหนใช่อธิบายว่าเทวบุตรนั้นผู้ส่งเสืร์ดอกไม้องค์ใดองหนึ่งในสวรรค์ชั้นวัตตีภูมิเรียกว่ามานัน นะมารผู้มีความประพฤติอันเป็นบาปอธิบายว่าคนมีบุตรก็เพลิดเพลินด้วยบุตรคนมีโคก็เพลิดเพลินด้วยโคฉั้นใดคนก็ย่อมเพลิดเพลินในอุปธิคือขันห้าชันนั้นคือว่าผู้ใดมีโคผู้นั้นก็มีโคเป็นที่รักเขาย่อมเพลิดเพลินกับโคเหล่านั้นหรือว่าย่อมเพลิดเพลินด้วยโคทั้งหลายเพราะโคเป็นเหตุให้ปลื้มใจฉันนั้นโคอย่าตายกันแล้วกันนี่ย โคอย่าหายกันแล้วกันเดี๋จะล้อมค อ, อกแล้วจะเดือดร้อนนะนะโคยังไม่หายก็ยิ้มแป้แหมโคตัวนั้นเน่ยเงินหมื่นเดินได้อย่างนะ้นะแต่ว่าโคโคหายไปเนี่ยตื่นเช้ามาเหลือแต่ค อ, อกเปล่าในี๋ยวนี้ก็เดือดรนะ้อนน่ะไข้ขึ้นแน่นะนิยมข้างๆวัดโคก็หายแล้วก็แหมค่าอีแทบขึ้นเลยนะหมดไปหลายหมื่นเลยวะตัวหนึ่งหลายหมื่นอยู่แล้วโคอะตอนที่ยังไม่หายก็ยิ้มแป้นะคนมีรถกระเพลินกับรถตอนที่รถถูกยางเนี่ยรั่าหมดกันนะอะไรเกิดขึ้น แฟบเลยนะคำว่าอุปทีนี้มีอยู่4ประการด้วยกันหนึ่งกามมูปฏิ 2. สองขันธูปฏิ 3. สามกิเลสูปฏิ่หาพิเสียพิสังคารุปทิการทั้งหลายท่านก็เรียกว่าอุปทิเพราะอัฏฐาว่าคำนี้ว่าสุขในทีน่นี้บุคคลย่อมเข้าไปตั้งไว้เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความสุขพันสุขโสมนัสอันใดแลที่บังเกิดเพราะอาศัยการมมาคุณ5าอาาธาัธแห่งการทั้งหลายนี้เรียกว่าการ ม, มูปฏิ อุปธิคือกรรมนะเพราะทรงไว้ซึ่งสุขและวทงมนะันัดถ้ามันสมบูรณ์นะพร่องเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนนะขันทั้งหลายก็เรียกว่าอุปธิเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกเพราะทุกทั้งหมดในวัฏะมีขันห้าเป็นมูลกิเลสทั้งหลายก็เรียกว่าอุปธิเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกในอบายขันอภีสังขารคือกรรมทั้งหลายก็เป็นอุปธิเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกในภพคือภพสาม แต่ในที่นี้ประสงค์เอาการมูปฏิด้วยอำนาจสัตว์และสังขารหมายว่าติดใจในสัตว์และสังขารอธิบายว่าก็เพราะเหตุที่การมูปฏิกิเลสเหล่านี้นํามาซึ่งปีติโสมนัสมาให้จึงทําให้คนเพลิดเพลินพึงทราบว่าผู้มีบุตรย่อมเพลิดเพลินด้วยบุตรผู้มีโคย่อมเพลิดเพลินด้วยโคเหมือนกันตัวท่านเองก็มีบุตรมีโค เพราะฉะนั้นขอท่านจงเพลิดเพลินในโคและบุตรเหล่านั้นอย่าได้กลับไปสู่การบวชเลยอย่าไปบวชเลยเพราะความเพลิดเพลินเหล่านี้ย่อมไม่มีกับนักบวชนักบวชไม่มีโคไม่มีลูกมันจะมีความสุขได้อย่างไงเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ท่านก็ปรารบจะพ้นทุกแต่ก็กลับมีแต่ทุกข์ขึ้นไปเพราะคนจะมีสุขก็มีความสุขเพราะมีโคมีลูกท่านบวชไปแล้วไม่มีโคไม่มีลูกจะไปสุขอย่างไรแบบนั้น เพราะผู้ใดไม่มีอุปธิเหล่านั้นผู้นั้นพลัดพรากจากญาติทั้งหลายอันเป็นที่รักไม่มีอุปกรณ์เครื่องปลืม้มใช้สอยย่อมไม่มีความเพลิดเพลินตัวท่านเองเวน้นอุปธิเหล่านี้ออกบวชแล้วท่านจะได้รับความทุกข์วันนั้นอย่าบวชเลยพระพุทธเจ้าทราบว่ามารผู้มีบาปมาแล้วเพื่อทำอันตรายแก่คนเหล่านี้เพื่อจะทำลายวาทะของมารด้วยอุปมาที่มาร น, นั่นแหละนามากล่าวแล้วดุดบุคคลทาผลไม้ให้ตกด้วย ผลไม้ให้เราเอาผลไม้คว้างผลไม้ให้มันตกจากขั้วฉะนั้นก็กล่าวคาถาว่าคนย่อมเศร้าโศกเพราะอุปธิทั้งหลายเปรียบเหมือนคนผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรก็ลองคิดดูนะลูกกลับบ้านไม่ตรงเวลาแค่นั้นเลยเนี่ยนาะยองเข้ามาบนลูกเขาเนี่ยกลับบ้านผิดเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเขานั่งไม่เป็นสุขแล้วเขาบอกงั้นนะพันเอก จะทุกอะไรจะได้ทุกเท่าเป็นสองาชั่วโมงเท่ากับทุกเพราะมีบุตรใช่ไหมทุกได้บ่อยๆเป็นปกติเลยแหละคนผู้มีโคก็ย่อมเศร้าโศกเพราะโคชั้นใดก็ดีชั้นนั้นเหมือนกันคนผู้ไม่มีอุปทีก็ไม่เศร้าโศกเลยถ้าไม่มีฉันทราค่าในขันห้าก็ดับทุกได้หมดอธิบายว่าดูก่อนมารผู้มีบาปท่านยาได้พูดอย่างนี้ว่าคนมีบุตรย่อมเพลิดเพลินด้วยบุตรทั้งหลายด้วยว่า ความพลัดพรากย่อมว่างเว้นจากของที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีได้เลยถ้าท่านไม่ตายจากบุตรบุตรก็ตายจากท่านว่า ง, งั้นเพราะวิธีนี้บุคคลไม่อาจจะหลีกพ้นไปได้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีหะไทยคือลูกศรคือความเศร้าโศกมีประมาณยิ่งเสียบแทงแล้วเพราะเหตุที่ต้องพลัดพรากจากบุตรและพิยา อันเป็นที่รักที่พอใจเหล่านั้นและจากสัตว์และสิ่งของทั้งหลายมีโคม้ามัดเอ่อมัดตัวเมียเงินทองเป็นต้นเสร็จแล้วก็พอพราดพรา ด, ดจากสิ่งเหล่านี้กลายเป็นบ้าไปก็มีฟุ้งซ้านไปก็มีถึงความตายก็มีได้รับทุกปางตายก็มีนะถ้าไปสืบทราบดูบางคนเนี่ยพราดพลา ด, ดจากของรักบ้าเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นคนมีบุตรจึงเศร้าโศกเพราะบุตรก็เพราะตันหาคนย่อมเศร้าโศกเพราะอุปธิทั้งหลาย เหมือนคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรทั้งหลายคนมีโคก็ย่อมเศร้าโศกเพราะโคทั้งหลายเพราะเหตุไรก็เพราะคนย่อมเศร้าโศกเพราะอุปธิทั้งหลายก็เพราะเหตุที่คนเศร้าโศกเพราะอุปธิคือตัณหานะเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่มีอุปธิผู้นั้นไม่เศร้าโศกเลยผู้ใดชื่อว่าไม่มีอุปธิเพราะละความเกี่ยวข้องในอุปธินั้นเสียได้ ผู้นั้นย่อมเป็นผู้สันโดษด้วยจีวร อ, อันเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยบิณทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องจะดำเนินไปด้วยวิธีใดๆก็ยึดถือความสันโดษเท่านั้นดำเนินไปก็ทราบได้ว่าสิ่งอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเปรียบเหมือนนกก็มีแต่ปีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ค่าความเศร้าโศกเสียได้ผู้ใดไม่มีอุปธิผู้นั้นก็ไม่มีความโศก พระองค์ก็จบลงด้วยยอดคือจบยอดเทศนาที่อรหัตตมัคอีกอย่างหนึ่งผู้ใดไม่มีอุปธิผู้นั้นไม่มีกิเลสผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่เศร้าโศกด้วยว่าตราบใดที่ยังมีกิเลสอุปทิทั้งหลายหรือมูลแห่งความเศร้าโศกทั้งหลายก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าละกิเลสเสียได้ความเศร้าโศกก็ไม่มีเสด็ว่าคาถาจบลงที่อรหัตตมัค จบที่พระอรหัตผลในที่สุดแห่งเทศนานายทินิยะและภริยาทั้งสองก็ได้บวชแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปยังเชตวันต า, ตามอากาศเช่นเดิมเขาทั้งสองเหล่านั้นบวชแล้วก็ทําไม่แจ้งซึ่งอรหัตผลพวกนายโคบาลสร้างวิหารเพื่อท่านทั้งสองอยู่ในที่นั้นนะลูกหลานก็เลยสร้างวัดให้พ่อแม่เลยชื่อว่าโคปาละกาวิหารมาจนถึงสมัยโนเนปะพระเจ้าโคสาจารย์วัดนี้ก็ยังอยู่ตอนนี้ก็เรียบร้อย ศูนย์โยปนายัางไม่เหลื อ, อ น, นี่ก็จบสูตร น, นะนะจบที่นิยสูตร